ในโอกาสที่ครบ1นัศตวรรษแห่งชาตการของอธ่านจาพุทธทาภิกขุดิเทศากาลนี้ก็เคยแสดงที่สวนโมกเมื่อ27พฤษภาคมแล้วก็ไปเปิดนะแสดงในหลายที่ทั่วประเทศอันที่ขอนแก่นนี่ก็เป็นที่ที่6กก็มีภาพวาดแล้วก็ภาพจิตกรรม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 ส่วนนั้นแหะคือส่วนที่แสดงถึงความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์ปุตตชนนั้นไม่มีส่วนนี้และพระพุทธองค์เนี่ยเนื่องจากได้บำเพ็ญทรมมาจนกระทั่งแจ่มแจ้งในสัจธรรมเข้าถึงความเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็ทําให้จิตของพระองค์นั้นเป็นอิสระเป็นอิสระก็คือว่าอยู่เหนือกรอบหลุดออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยม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 เราก็สามารถที่จะยกใจให้เหนือจากการกำหนดของวัตถุได้อันนี้เป็นเพราะว่าจิตได้รับการฝึกฝนมาคือว่าแม้กายจะป่วยแม้กายจะเจ็บเนือ้อแต่ใจนี่ไม่ทุกนี้ก็ทำได้หรือว่าแม้จะประสบกับความพลัดพลาคสูญเสียความผันปวนเปลีป่ยนแปลงซึ่งธรรมดาก็ทำให้คนเราทุกที่เราสวทุกเช้าเนี่ย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 จนกระทั่งเข้าใจเข้าใจความเป็นจริงแจ่มแจ้งในสัจธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งหลายต้องปวงนั้นมันไม่อาจจะยึดถือได้ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่น่า ย, ยึดถือด้วยเพอถ้ายึดถือแล้วก็จะเป็นกุกเพราะต้องหนีไม่พ้นความพลัดพากสูญเสียเพราะคนรานั้นได้กับเสียเป็นของคู่กันพบกับพร่างนี้ของคู่กันพบแล้วก็ต้องพรากมีได้ก็ต้องมีเสีย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 แตไป ไ, ป ไ, ปไปมาเราเป็นของเขาเราเป็นบ้าเป็นหลังวิกฤติลก็เพราะเขาเราตายยอมตายก็เพราะเขาใครเป็นของใครกันแน่อันนี้คือสภาพของคนที่ยังตกอยู่ภายใต้ของวัตตาสงสารที่ต้องตกอยู่เป็นทาตเป็นธาตของวัตถุเป็นทาตของสิ่งต่างต่แต่เมื่อได้พัฒนาจิตจนกทั่งรู้แจ้งในสัจธรรมนั้นถึงี่เป็นอิสระอย่างแท้จริงชนิดที่เรียกว่า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 แก้งเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเนสุดก็ใ้วิธีว่ารอบวางเพลิงให้พระนาสามอดีถูกหลอกเข้าไปในในเรือนที่เก็บผ้านในปราสาทแล้วก็พนาสามอดีก็เข้าไปกับสนมบริวาร500รอคนแล้วก็หาร้อเนี่ยคงจะเป็นจำนวนที่เขียนไปอย่างนั้นคงยิงยิงคงไม่ถึงแล้วก็พอเข้าไปแล้วก็ปิดประตูไม่ให้ออกมาได้แล้วก็นามาคนทนยาก็เป๋าทั้งประสาท พระสัรมาวดีนี่เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพืชเจ้ามากเคยถวายจีวรห้าร้อยปื้นให้แก่พระองค์ซึ่งเป็นที่มาของคําสนทนากันระหว่างพระอา น, นนท์กับพระเจ้าอุทเทนว่านี่ยจีวรห้ารอยปืนนี่จะไปทําอะไรพระอา น, นนท์ก็บอกว่าห้าร้อยปืนนี้ก็ไปถวายกับพระที่มีจีวรเก่าพระเจ้าอุเทนก็ถามตอบไปว่าแล้วจีวรเก่านี่จะเอาไปทําอะไร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 เราฝึกจิตให้มีอินทรีย์ให้มีอินทรีย์สังวรคือการสำมรวบอินทรีย์หมายความว่าการที่เราไม่มีรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ยินดียินลายในรูปที่เห็นในสิ่งที่ได้ยินในกลิ่นที่ได้รับหรือว่าในสัมผัสทางกายเราก็สามารถจะฝึกได้อากาศร้อนนะแต่ว่ามันร้อนที่กายอย่างเดียวแต่ใจไม่ร้อนก็ได้นะเพราะว่าแม่ไปยึดเอา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 เราก็เลยกลายเป็นทาตของวัตถุเสียงดังก็ทุกเสียงดังก็ทุกอากาศร้อนก็ทุกนที่นนพราะเราไม่รู้จักใช้ใช้ใจให้เป็นประโยชน์เราก็เลยกลายเป็นธาตของสิ่งรอบตัวกลายเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมกลายเป็นธาตของวัตถุหรือว่าลูกที่ปรากฏแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยให้สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เราเราได้น้อยลงเพราะเรารู้ว่าเป็นปัจาะใจของเราตังหาที่ไปยึดเอาไว้เสียงมันดังแต่ใจเราไม่ไปจดจอ่อ มันก็ทําอะไรเราไม่ได้มันก็เป็นศัพท์แต่ว่าเสียงศัพท์แต่ว่าได้ยินเท่านั้นเองเราไม่ได้มองว่าใจของเราต่างหาที่ไปหยิบไปคว้าเอาสิ่งเหล่านี้นะเข้ามาเล่นงานใจของเราฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นธาตุวัตถุ ก, ก็เพราะเหตุนี้ก็คือใจไม่ได้ฝึกอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีอินเสีย์สังวรนะก็คือว่าไม่มีการสํารวมอินเสีย์อินเสียสังวรหรือการสำรวมอินทสีย์นี่ไม่ได้หมายถึงว่าตา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 ในสายพุทธการก็มีนะวิธีที่จะทำให้ใจไม่เป็นทั่วคือว่าไม่ไปรับรู้อะไรตาก็หูก็อย่าไปได้ยินจมูกก็อย่าไปได้กลิ่นทนํานองคล้ายๆกับปิดหูปิดตาไว้อย่างที่เราเห็นหลิงสามตัวที่เขาเอามาทําเป็นตุ๊กตาซึ่งมาจากของโบราณพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตําหนิว่าการทําเช่นนั้นก็ไม่ต่างจากคนตาบอดถ้าการปิดตานี่ทําให้คนเราไม่ทุกขนี่คนตาบอดก็ต้อง ไม่ทุกไปนานแล้วปนหูหนวกก็ไม่ทุกแต่ก็ยังทุกอยู่นี่เพราะอะไรเพราะใจใจของเรานี่ไปเอาสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือว่าสิ่งที่ได้รับรับรู้มานี่มาก่อความลำคาญหรือว่าก่อความเพื่อให้แก่จิตใจบางทีไม่ต้องได้เห็นได้กลิ่นได้ยินหรอกมันก็สร้างเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาได้มากมายเดินจงกรมบางทีก็อยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ในป่าที่สงบไม่มีสิ่งที่มารบกวนใจ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 อยู่ในเมืองเราก็สามารถที่จะยกจิตของเราให้เป็นอิสระอยู่เหนือโลกได้โลกธรรมทำอะไรเราไม่ได้ไม่ว่าจะได้ลดได้ยศได้ลาบได้รับคำสรรเสริญก็ไม่ทำให้ใจเราฟูเมื่อถึงตอนนั้นแม้มันจะเสริมลาบเสริญยศหรือว่าได้รับคำนินทาก็ทำะไรก็ทำให้ใจเราแฟบไม่ได้นะอันนี้แหละที่มันเป็นความสามารถของทุกคนนะเป็นสมบัติประจาตัวของทุกคนอย่างที่ พระจารย์ได้ตัดว่าโลกุตตรธรรมเป็นเป็นสมบัติของทุกคนโลกุตตรธรรมคือความสามารถหรือศักยภาพในการที่จะเป็นอิสระอยู่เหนือโลกซึ่งอันนี้อาจารย์ะพุทธท่านก็เน้นมากนเรื่องเอาเรื่องโลกุตตรธรรมมาพูดเอาเรื่องจิตว่างเอาเรื่องนิพพานมาพูดนะคนก็บอกว่ามาพูดกับคารวะได้ย่างไรนะคารวะไม่ต้องทําต้องมีกิเลสต้องมีตัณหาโลกุตตรธรรมนี่ต้องไปพูดกับพระแต่อาจารย์พูดทท่านบอกว่านั่นแหละ คารวาสนี่แหละยิ่งต้องเรียนรู้เรื่องโลกุตตรธรรมเพราะว่ามันเจอความบีบขั้นเจอความพันผวนเปลีนปล่นแปลในชีวิตมากเปลียนไปก็เมื่อนคนที่อยู่กลางแดดคนอยู่กลางแดดมันต้องมีร่มต้องมีร่มถ้าไม่มีร่มนี่ร้อนฝนตกมาก็เปียกแต่พระ น, น, นี่เหมือนกับอยู่ในป่าเย็นสบายอยู่แล้วฝนตกมาก็ยังพอหาลมไม้ชายคาหลบได้แต่คารวาสนี่เหมือนกับอยู่กลางแจ้งยิ่งต้องมีร่มยิ่งต้องใช้ร่ม โล ก, กุตละธรรมนี่ก็เปรียบเสมือนกับสิ่งที่ช่วยรักษาใจให้เป็นปกติให้ใจเป็นเป็นอิสระได้นั่นอกจากย์วุฒาเขาพยายามมาพูดเรื่องนี้นะเอาเรื่องนีพพานมาพูดกับคารวะเอาเรื่องโล ก, กุตละธรรมปรมาทธรรมนี่มาพูดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องรู้จักเพราเรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้